ข อ, อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระพุทธประตามระสมข้อากาดคณะสมแล้วก็ข้อจรมพรญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่า น, นครับทมสบายนะครับ <c oughs> ขออ้อพระพุทธเจ้าสอนสอนเรื่องอะไร ตัดสู้เรื่องอะไรเราก็รู้ไว้ก่อนนี่ก็สำคัญนะถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็าจอาจจะหลนทางหลนทางคือว่าปฏิบัติเพื่อรับสักขละเพื่อได้มีฐานะเพื่อได้ สิ่งของายต่างๆหรือ่อเพื่อไดอ้ความสงบยันเดียวแต่ว่ า, าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่กนะ็พระต้าก็บอกว่าพัง ผ, ผสมเรื่อนทุกข์แล้วก็เรื่อนดับทุกข์ อันนี้ก็ลำคามากตอนแรกๆกเราก็อาภพะความดับความทุกข์ น, นี้เป็นต้นตานถ้าเราไม่เห็นไม่สัมผัสกับความทุกข์ ก็ยังไม่ถึงต้นตานก็เราก็คิดนี้คิดนั่นเราก็ไม่ได้ดูตัวเองว่าด่าเพือเอื่นว่ากล้าหรู้ว่าอยากได้นี่อยากได้นั้นเรื่องอน า, าคตเราาื่องดีตคิดหงเหวงเห็น แต่ว่าถ้าเรามองดูตัวเองก็สัมผัสกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อันนี้ก็มาเป็นได้ถึงห้องท่ที่ต้นตานเป็นทุกขขัน ทุกขานี้ก็เราถ้าไม่ปฏิบัติก็เจ อ, อยากมันสัมผัสกับยากเพราะาเราก็มอนด้านนอกมากหรือว่าคิดก็อดีคิดการอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันถ้าเรา ก็อยู่ปัจจุบันก็ได้เจอได้พบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะพบกับความทุกข์มันดีเพราะเราก็ได้สันทนทานจะลืมต้นเดินทางได้เดินทางที่ไหน ก็เดินทานที่ความดับทุกแม้ว่าเราก็ถ้าเดินทานข้อผิดทานก็มีแม้ว่าเราก็เริ่มต้นได้แต่ว่า มันปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ไม่ถึงปลายทางแป่นดับทุกข์ถ้าเราอยากจะไปถึงดับทุกข์ก็เราก็ให้เข้าใจให้พบให้ดูทุกข์ แล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกสาเหตุทให้ที่ทให้ทุกนี่ก็เป็นสมยัยสมัยก็คือว่าสาเหตุที่ทำให้เร า, เราทุก แล้วทธเจ้าก็ก็เข้าใจบังเหนมนพบว่าก็มีความทุกข์เพราะมีบังเกิดสาเหตุทำให้เราทุกข์แต่ก่อนสมัยอินเดียก็มี ผู้บาชันหลายท่านก็บอกนี่ว่าทุกมันเกิดขึ้นจากพระเจ้าพระเจ้าทำให้เราทุกก็เลยครัวพระเจ้าก็เลยเอาของเอาอ่าบางทีก็เอา ค น, คนด้วยให้ถวายให้พระเจ้าแต่ว่านี่ก็มันก็ถึงความดับทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามันปิดทานแล้วก็คือบาอาจารย์บางรูปบางคนก็บอกว่า อันนี้ทุกข์ก็มาจากอดีตชาติอันนี้ก็ยินเช่นเอาใหม่ใช่พระุทธเจ้าก็พบว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องอดีตชาติทำอะไร เ็เลยเราก็้นทุกข์ในชาตินี้แล้วก็ อ, อดีตชาติก็ตัดสินให้เราว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าวันนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าคือวาจันไรมันท่าก็บอกว่า มันสาเหตุนี่ไม่มีมันทุกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่มีไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุปัจจัยนั่นบางอื่นทุกสิ่งทุกอย่างนันบางอื่นมันเกิดขึ้นทุ ก, ก็มันเกิดขึ้นเป็นบางอื่นอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็พบว่านี่ ไม่ใช่ไม่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าได้พบแผงว่ามีสาเหตุอยู่สาเหตุนี้ก็เป็นอวบิจาบางทีก็บอกว่าอบิชาบางทีบอกว่าทางหาบางทีบอกว่าอุปาทาน มันก็ จ, นจริงๆลมันเดียวกันอาบิชาทั้งหาผัดทานบางทีก็อัตตานี่ก็ทำให้เกิดทุกข์ได้นี่ก็เป็นสาเหตุมันถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่เราก็ปฏิบัติก็ เรารู้เข้าใจยอมรับให้เห็นว่ามันทุกข์กับสาเหตุที่ทำให้ทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าเราดูตัวเองยอมรับความทุกข์ของตัวเองแล้วก็ จต่อไปก็สาเหตุก็เกิดขึ้นทุกครั้งทุกลราวตอนที่เราทุกใจมันเกิดขึ้นก็มีต่างหาอยู่มีต่างหาเวลาเดียวกันหรือว่าเกิดอุปาทางเวลาเดียวกัน ไม่ใช่อดีตนาคตไม่ใช่อยู่ที่ขั้นด้านนอกอยู่ที่จิตใจอยู่ที่เราอยู่ที่ปัจจุบันก็มีความทุกข์ก็เกิดขึ้นก็สาเหตุมีอยู่ทุกกล่าวทุกไม่มียกเว้น ก็เลยเราก็ดีนะก็พยายามปฏิบัติก็มันมีสติให้รู้รู้แล้วเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุมีเหตุที่ทำให้เกิดทุก น, นีไม่ใช่เรื่องอดีชาติไม่ใช่เรื่องพระเจ้าไม่ใช่เรื่องบางอื่นก็เพราะว่ามันมีตัวเองอยู่ในตัวเองถ้าเข้าใจแล้วก็ก็เดินต่อไปเดินต่อไปก็พยายามที่จะไปถึง ความดับทุกข์สิ้นเจินถ้าเราเข้าใจเห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ความทุกข์ก็มันน้อยลงหรือว่ามีเวลาที่ความทุกข์มันสร้างขึ้นได้แล้วก็เดินทางก็มี ทำให้ความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะเหตุอะไรก็เหตุก็สาเหตุทำให้ดับทุกข์มันมีหนทางดับทุกข์เปนมักก็มีถ้ามักมีแล้วก็มี มีความดับทุกข์ความเป็นนิโรธมันเกิดขึ้นเพราะนีม่มักให้มากองเปดนี่เป็นสำคัญ <c oughs> เพราะว่าเป็นการเดินทางที่ถูกต้องถ้าเดินทางที่มันผิดพลาด หรือว่าหลอมไปบางทีก็ไปตองคาบก็ไม่ถึงที่ปลายตาเป็นความดับทุกข์พระพุทธเจ้าก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นชัดเจน ว่าสาเหตุทำให้ความทุกข์ตัดไปสิ้นเจอมีอยู่ก็เลยสอนว่าตั้เแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความดำริชอบความพูว่าว่าจะที่ถูกต้อง การกระทาก็ถูกต้องอก็ชจวิตชีามันก็ถูกต้อมก็ไปยังความไปยามมันก็ถูกต้อมความเป็นสัตวมีสติมีสมาธิที่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาสมาธิก็เช่นๆมันออมคำสอนทำให้เกิดนิโรธก็พรมีมักแล้วก็นี่ก็มักก็ไม่ใช่เป็นเป็นที่ ถ้าเป็นดูเป็นที่จริงๆแล้วมันเป็นที่แล้วคำสองก็เป็นเป็นที่แต่ว่าเราต้องเดินตามด้วยตรงเองนปฏิบัติด้วยตรงเองนถ้าเห็นเป็นที่ยังเดียวไม่ถึงบางการศึกษาก็ดีแต่ว่าเราต้องปฏิบัติลมมือ ก็เราก็ไปถึงได้อันนี้ก็เป็นอริยะมรอมแปดแล้วก็ตัหมดก็บอกว่าอริยสัตว์สี่ทุกขาทุ ก, ทกนิรอดอทุกสมมติฐานนิรอดมรรมันมีเกิดมี ความสาเหตุมันเกิดขึ้นก็ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมาสาเหตุก็ดับไปก็ความทุกข์ก็ดับไปโดยธรรมชาติ นี่ก็จะเป็นธรร ม, มะพระพุทธเจ้าสอ็เราก็ปฏิบัติธรรมการเจริญสติสติกก็รู้ปัจจุบันเห็นปัจจุบันไม่ใช่คิดอดีตอนาคตมันจิตปรุมเต่ไป เราก็รู้แต่ปัจจุบันกันนะอะไรคือขึ้นด้านไหนด้านนอกความสัมพันธ์ด้านหนด้านนอกเราก็มีสติแหมมังแหมมั น, น, มนบางทีก็มันเผลอก็มไม่เป็นไร มันเผอไปนี่ก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมามังเผอมันน้อยหลอนน้อยหลอนเราก็อยู่ได้กับปัจจุบันเป็นเสมอการได้แต่จริงๆมาปัจจุบัน ก็ไม่ใช่นี้จากอดีตอนาคตเราก็เข้าใจอดีตก็คืออะไรอนาคตก็คืออะไรอดีตก็ความคิดที่ประจิตปืนแตนมันจริงจิแล้วมันเป็ น, านการกาตธรรของเราว่าเป็นสัญญาสังขารนี่ก็ มันกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันคิดนี่เรื่องอดีตเป็นการกระทงของตัวเองคิดอนาคตก็เป็นการการะทำของตัวเองในปัจจุบันขณนะไม่ปัจจุบันขณนะอันนี้เป็นกรรมกรรมนี้ก็ทําให้ เราปล า, าเราไปถึงไปความทุกข์ได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ไปยามเห็น ม, มันเข้าใจ เห็นแล้วก็มันเข้าใจเป็นสติกับปัญญามันก็ทำให้การกระทาที่คิดถึงเรื่องดีคิดถึงเรื่องอนาคตหรือว่าจิตมันปรึ้มต็มเป็นเรื่องเป็นราวเป็นต่อขึ้นใหญ่ขึ้น มันก็เบาหลอนมันสั้นหลอนเพราะว่าเราเข้าากนี้ก็ทำให้เราหลอนไปแล้วก็ทำให้เราทุกมันก็เป็นมังอบิจานิมเป็นสาเหตุที่รุ่มต้อมแล้วก็ถึง ทางหามันก็เกิดขึ้นทางหามันเกิดขึ้นก็ปัตตางก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่สัมผัสมันแล้เราก็มีสติเจริญไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นยาวเร่วนเป็นใหญ่ มันก็เวทนาก็เกิดขึ้นมันสัมผัส ด, ด้านในด้านนอกก็เวทนาก็เกิดขึ้นอันนี้ก็แปลนคือความเคยจินความเคยชินที่เป็นอดีตมันเป็นความเคยชินเป็นความคิเคมคดเริ่มเป็นดาว แต่ว่าเราก็มีสติรู้ตอนนั้นได้ว่าเวทนามังเกิดเวทนาทุกกะเวทนาทางกายกับตางใจทุกกเวทนาทางจิตใจสุขเวทนาทางจิตใจทุกขมาสุขเวทนาทางกายทางใจ เราก็ให้รู้รูร้เท่าทันถ้าไม่ทันก็เกิดตัางหาประตามไปเรื่อยันตอนความทุกข์สารพัดฉะนั้นเราก็รู้เห็นสัมปาด้วยสติ ว่าเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนามันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันก็ดับไปไม่ถึงทางหาไม่ถึงพัทฐานแล้วก็ทาไปเรื่อยจะรดินไปเรื่อยๆ ละหหานี่ก็ช่วยได้มากเป็นศรัทธาเป็นวิริยะความพยายามความเป็นสติสมาธิปัญญาสติก็ความรู้ความตื่นตัวระลึกถึงได้ ในปัจจุบันนี้แล้วก็สมาธิความมั่งกนจิตใจปัญญาความเขา้าใจชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็มีสติสมาธิปัญญา มันก็เห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นมันสาทุกสิ่งทุกอย่างมีสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกอันนี้มีอันนมมั้มีอันนี้มันไม่มีอันนั้นก็ไม่มีอันนี้เกิดเพราะอันอันนี้เกิดก็เพราะอันนี้ก็เกิด อันนั้นดับไปก่อนนี้ก็ดับไปก็เห็นจัดเป็นเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ได้ปฏิเสธมันเห็นเฉยๆรูเฉยๆว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันก็เป็นธรรมะ แบ่งกอแงธรรมชาติถ้าเราเข้าใจก็ทางหาปัญหาน้อยรอนถ้าทางหาปัะหาน้อยรอนก็สิ่งที่เกิดก็มันก็เป็นปกติปกติเห็นความเห็นชัดแต่ก่อนนี่ความ ความกรดความหลงความอยากมังเกิดเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็มันปฏิธรรมชาติก็เปลีป่ยนแปลงก็มีสติก็มังเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ ธมะที่ก็เกิดขึ้นเป็นธรมญญนธรมชาติปัญญาเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมันช่วยเหลือป้องกันเราไม่หล่นทางป้องกันหล่นความทุกข์ก็เพราะว่าเรามีวิชาความวิชามันแทนอาวิชา หากิจก็ไม่รู้ไม่เห็นวิจิก็เห็นเห็นชัดก็เลยไม่ได้เกิดวิญญาณนามารูปอายต น, นะโอเวท น, นะก็ไม่มันดับไป สังหาประธานดับไปทุก็ดับไปมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะมีสติสมาธิปัญญาก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมารู้เข้าใจก็ชีวิตจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลง อันทุกขก็น้อยหลมบันเตาไปจนถึงตายทานถึงดับทุกข์สิ้นเจริญเป็นนิโรธเป็นนิพพานเป็นเกิดอรหรันที่จิตใจนอกจากนั้น เราเข้าใจมันปัญญาเกิดก็มีเมตตาการุณาก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติพอเราเข้าใจว่ า, าทุกข์ก็มันมีสาเหตุความหลงทางหาปัจจานไม่ใช่คนนี้ไม่ดีไม่ใช่คนนั้น เป็นคนลายอันนี้ก็เป็นเห็นทานเป็นคนที่ยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ว่าไม่ใจเป็นไม่ใจตัวไม่ใจเป็นเราไม่ใ่ถืออะไรนี่อะไรนั้น เขาเข้าใจว่ามันมีแต่สาเหตุมันเกิดก็มีผมเกิดเขาโกรธเพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นเขาว่าด่าก็ไม่เพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่เขาไม่ดี มันสายเหตุก็เป็นความอิชาความไม่รู้นั่งเอนก็เลยหน้าที่ของเราไม่ได้ว่าด่าตอบต่ อ, ตอมันก็เป็นทุกของตัวเอนและทุกของเขาทั้งสองอทัส อ, สอด้วยแต่เราก็หน้าที่ก็ไม่ใช่ว่าดา่า ก็เฉยเลือให้เข้าใจจักเชิญให้รู้ให้เข้าใจก็ให้มีสติให้ปัญญาก็ปอวายใช้อวายเข้าเข้าธรรมะ ไม่ได้ว่าตานี่ก็เพราะมีเมตตาการุณาคาคนที่มีความทุกข์มันก็ช่วยเหลือคนที่ไม่มีความสุข ก, ก็ให้ช่วยเหลือให้มีสุข ก็มีเมตตาการุณามันก็เกิดขึ้นเพราะเรามีปัญญามีสติจิตใจมันสมาธิอยู่ก็เจริญสติที่เราปฏิบัตินี่ยยกมือสั่งจังหวะเดินจงกรมอันนี้ก็จริงๆแล้วได้ผนดีจริงๆ มีคนหลายคนมันทุกข์แต่คนที่ปฏิบัติไปปฏิบัติก็ได้ผมคนที่พวกหมอพวกหมอจิตหมอจิตหมอส ม, มองเขาก็กำลังสนใจมาปฏิบัติกับเรา ยี่บุณก็ทั้งกันเป็นคุณหมอใช้แต่ก็ไปใช้แต่ยาให้ยาแต่ว่ามาศึกษากับปฏิบัติกับปัตมาแล้วก็เออาเอามาใช้เอาการเจริญสติยกมืสร้นงจังวะเนินจองกรมใช้ ใช้แทนยาบันทีก็ใช้ยาอยู่มัน ผ, ผสมกันก็ดีพยายามที่จะลดยาไปเรื่อยๆได้แล้วก็พุ่นตัวแองก็คือว่าปฏิบัติไม่ใดอาศัยเป็นยาอาศัยกา ร, รกระทำการปฏิบัติธรรม ก็ได้ผมว่าแต่่องกินยาแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลนมันทุกมันสมองมันสติมันเสียสติไปเรื่อยก็มีแต่ว่าการกระทำปฏิบัติธรรมมันผสมกัน ก็ได้ผมก็คือว่ามันรีบดีขึ้นเร็วบางกองหายไปเป็นความทุกข์นี่ก็ใช้ได้ดีมากเพราะเราก็ดีปฏิบัติไปปฏิบัติมา เอาลวนะ <c oughs> กับก่อนนี้ขอเป็นวันพระอ อ, ออกจากสิงหนะ์ก็ต่อไปอผู้กันเขนี้ก็ต่อไปก็ยิบ ป, ปก อ, อกก็แมวก็ลาซินนะกับ <c oughs>